ไม่ต้องสั่งนะกายเนี่ยมันจะรีบดึงนิ้วนะดึงมือเนี่ยออกมาจากของร้อนของแหลมทันทีอย่างฉับพลันเลยจะไม่อยากค้องแวะด้วยเวลาเท้าเราเนี่ยเหยียบน้าเนี่ยบางทีเหยียบแค่ป๊บเดือนนั่นนะมันทิ่มเข้าไปนิดเดียวนี่ร่างกายมันชักเท้าออกมาทันทีเลยหรือแม้แต่ยิ่ง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 อจจะกำลังฟังเสียงเพลงอยู่อาจจะกำลังดูหนังอยู่ทั้งทั้งที่ดูหนังฟังเพลงเป็สิ่งที่ใจชอบแต่พอมีเสียงมารบกวนนี่จิตเนี่ยมันพุ่งไปที่เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงคนคุยกันเสียงลิงวิ่งอยู่บนหลงังคา ท, าทันทีถามว่าไปจดจ่ออยู่กับเสียงเหล่านั้นแล้วเนี่ยใจเป็นไงมีความสุขไหมไม่มีความสุขใจหงุดหงิดลาคาญโกรธ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 แต่ไม่ใช่หวัดตัวเดิมแลตัวใหม่ถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยป่วยได้ครั้งเดียวร่างกายมันจำได้นะรวมทั้งเวลาโดนของแหลมทิ่มโดนไฟชอ็อตตอนเป็นทารกนี่ไม่รู้เรื่องนะก็มือก็ไปโดนนะนามทิ่มเอาบางทีก็โดนไฟช็อตไฟออนนอนช็อตนะหรือไปจับของร้อนโดนครั้งเดียวนี่มันจำได้ตลอดชีวิตเลย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 นะความเกลียก็ทิ่มแทงใจนะความพยาบามก็กลียดแทงใจแต่ว่าก็ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดความพยาบามเนี่ยมันเล่นงานจิตใจเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าคนหนึ่งเนี่ยโดนมันเล่นงานเนี่ยทั้งชีวิตอาจจะเป็นหมื่นครั้งทำไมใจเนี่ยไม่เคยสรุปบทเรียนเลยไม่เคยจำได้เลยว่าไอ้นี่ไออารมณ์พวกเนี่ยคืออันตราย นะมันมาเผารนมันมากรีดแทงนะทิ่มแทงใจก็ปล่อยให้มันเข้ามาอยู่เรื่อยๆเสียพลาดท่าเสียทีมันอยู่ทุกรําทุกครั้งนะอยู่ร่าไปและยิ่งแก่ตัวนะแทนที่จะยิ่งมีประสบการณ์สนะสมมากขึ้นเพื่อว่ามันเข้ามาเล่นงานจิตใจเราได้ยากยากขึ้นยากขึ้น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 เจอมันซ้ำแล้วซ้ำเล้าก็ยังโดนมันเล่นงานอยู่นั่นแหละนี่จะดูไปนะใจนี่มันโงก่กว่ากายนะใจนี่โงก่กวากายมากไอ้กายนี่ดูมันทื่อๆใบๆนะแต่ว่ามันฉลาดหลายอย่างไอ้ใจนี่ดูฉลาดนะนะคิดค้นอะไรมากมายนะนะบางทีก็คิดจะกรอบกู้โลกนะคิดจะกรอบกู้ประเทศชาตินะแต่ว่าตัวเองนี่นะ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 รีคอหารั่วความคิดเนี่ยคิดแล้วมันทุกข์คิดเรื่องอดีตแล้วมันทุกข์ก็ยังคิดอยู่นั่นแหละ เ, เรื่องอนาคตยังมาไม่ถึงคิดแล้วมันทําให้หนักใจก็ยังคิดอยู่นั่นแหละโกรธนะมันเผาใจยังไงคนมันแนะนําว่าให้อภัยแทนที่จะไม่ทําตามแล้วยังยังว่าคนที่แนะนําอีก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 ความโกรธความเศร้าความรู้สึกผิดความเครียดความวิตกกงังวลมันโผล่มาทีไรจําได้อ้าไอนี่นะอย่ามาหลอกฉันอีกต่อไปฉันไม่หลงกลแกแล้วแกนะจะเข้ามาเล่นงานฉันไม่ได้ต่อบไปไนี่ฝึกได้นะที่จริงกายก็ต้องฝึกเหมือนกันนะเพราะบางครั้งเนี่ยออย่างที่บอกนะกายที่มันชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบออกกำลังกายไม่ชอบขยีนขยับเนี่ยเราต้องฝึก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 จับตัวประกันไว้เยอะแยะเลยในตึกตำรวจหรือทหารเนี่ยต้องการจัดการกับผู้รายนั้นเนี่ยก็ไม่ฟังอิระฆาอิลมนะเอาปืนใหญ่เอาระเบิดถล่มตึกนั้นไปเลยเพื่อฆ่าฆนะ่าผู้ก่อกานรให้ตายให้ตายเฮี้ยนเลยปรากฏว่าตัวประกันก็ตายด้วยเนี่ยทุพวงการร่างกายเราบางทีมันขยันแบบนี้นะ